ก็ขอแสดงความยินดีที่ได้มาร่วมอบรมฟังในสิ่งที่มีสาระในวันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าผมได้มีโอกาสมาร่วมในการอบรมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของโรงพยาบาล กรุงเทพราชสีมาก็ไม่มีเรื่องอะไรมาพูดคุยที่แปลกนู้แหวกแนวไปจากคนอื่นหรอกก็จะมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีคุณค่าด้วยสายหลักธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้อง กับการใช้ชีวิตประจำวันตอนธรรมดาแล้วเนี่ยที่ได้สัมผัสมานะได้เจอผู้คนมากมายทั้งคนใกล้ตัวคนไกลตัวล้วนแต่หน้าตาไม่ค่อยมีความสุขอั้งนั้นนะอยากจะมีความสุขแต่คนสมัยนี้นี่มีโรคชนิดหนึ่ง เป็นโลกที่ขาดแคลนความสุขอ่ะหิวความสุขต่างก็มุ่งแสวงหาความสุขให้กับชีวิตในช่วงของการพูดคุยนี้เครียดแต่พ Blake, อเบรกมีเสียงเพลงยิ้มยิ้มยิ้มต้องให้เสียงเพลงควรให้เรายิ้มด้วยเหรอมาเราจึงยิ้มเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นค่อยยั่วหรือคอย เป็นเหยื่อล่อก็ยิ้มเองมันก็ไม่เสียหายไม่เสียเงินแต่ท้บรรยากาศดีขึ้นด้วยบางครั้งเราก็ต้องยิ้มแบบไม่มีความหมายได้เหมือนกันนะเนี <c> ่ย <oughs> คนเป็นโรคคิ้วความสุขแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตเรามีความสุขในท่ามกลางวิกฤตของโลกและชีวิตอย่างนี้ คนมีความสุขคือคนฉลาดคนฉลาดเท่านั้นที่จะแสวงหาความสุขได้คนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่พาร่างกายและจิตใจทําให้เดือดร้อนพาร่างกายไปเจ็บอบายามุขนอนดึกนอนดึกก็ทําให้ไม่มีความสุขนะร่างกายมันก็เครียดพักผ่อนน้อยหาสิ่งที่มันเสพติด สู่ร่างกายหาโรกภยัยแคเจ็บใหสู่ร่างกายชีวิตจริงไม่มีความสุขทั้งนั้นร่างกายส่วนจิตใจนั้นก็สแสวงหาความเครียดเอาใจไปเครียดเอาใจไปทุกข์เอาใจไปโกรธสิ่งนี้แหละมันบั่นพรชีวิตจิตใจให้ไม่มีความสุขคนฉลาดก็ไม่ทําอย่างนี้หรอทำแล้วมันเดือดร้อนเดือดร้อนในภายหลัง ตอนแรกมันเป็นสิ่งที่มีรสอร่อยแต่พอเสพปนนานแล้วมันก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าชีวิตก็อับเฉาหาความสุขไม่ได้วิธีการที่จะให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวนะวิธีคิดเนี่ยสำคัญมากทำให้ชีวิตเรามีความสุขหรือความทุกข์ได้เพราะวิธีคิดเรารู้จักคิดวางจิตวางใจได้ถูกต้องเนี่ย ความสุขก็หาได้โดยง่ายหามาโดยง่ายโดยไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนเลยแค่เปลี่ยนวิธีคิดจากร้ายกลับกลายมาเป็นดีได้เรารู้จักฝึกคิดทำให้จิตมันสดใสเบิกบานบ้างมองโลกในแง่ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอุปสรรคเป็นการเรียนรู้ก็ได้เรารู้จักมอง โลกในแง่ดีสิบ้างสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นง่ายสิ่งที่น้อยมันก็แทบจะไม่มีเลยนะจากมากเหลือน้อยจากน้อยจะไม่เหลือเลยจากทุกเป็นไม่ทุกด้วยและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันง่ายต่อการแก้ปัญหาถ้ารู้จักมองปัญหาในแง่ที่ดีสิ่งไหนที่มองดีแล้วเนี่ยใจเรามันจะเริ่มตั้งหลัก อย่างน้อยตั้งหลักขนาดจิตใจได้การมองชีวิตในแงด่ดีมองโลกในแง่ดีทาให้ชีวิตเราเมันตั้งหลักได้นี่พอจิตใจเราตั้งหลักเป็นปกติแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะง่ายถ้ามองปัญหาเป็นที่ยากเย็นเนี่ยมันก็ไม่มีกําลังใจถ้ามองปัญหาในแง่ที่ว่าเรียนรู้ศึกษาเราจะมีกําลังใจมันเกิดการท้าทาย มองชีวิตในแง่ดีฝึกคิดในสิ่งที่ทําให้จิตนี่มันสดใสเบิกบานแล้วก็รู้จักหยุดคิดในสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่ไม่ชอบใจขัดลกขัดใจเนี่ยมันย่อมมีเกิดขึ้นทุกๆวันแต่ถ้ามันคิดแล้วทําให้เราต้องยิ่งตกจมแบกไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ควรจะหยุดหยุดคิดเสียบ้าง ถคิดต่อไปเนี่ยมีแต่จะบั่นทอนชีวิตจิตใจท่วงจิตทวงใจเราให้เป็นทุกข์ก็รู้จักหยุดหยุดคิดในสิ่งทําให้จิตเศร้าหมองเรื่องความเครียดต่างๆที่อยู่ตรงนี้ได้เนี่ยจิต ใ, ใจเราก็จะเริ่มเป็นปกติเพราะจิตเป็นปกติเนี่ยเราจะคิดทำสิ่งใก็ตามเนี่ยมันก็จะปลอบลงเนี่ยรู้จักเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเนี้ จิตเราก็จะดีนะความคิดนี่มันมีพลังนะความคิดมีพลังถ้าคิดดีชีวิตก็ดีมีความสุขถ้าคิดไม่ดีเนี่ยชีวิตมีแต่อับเฉาเนี่ยันพลังคือความคิดความคิดผลักดันให้เกิดการพูดความคิดผลักดันให้เกิดการกระทําความคิดผลักดันให้เกิดการมีสติปัญญามากยิ่งขึ้น เนี่ยสมัยนี้คนเราเนี่ยวันวันเนี่ยสังเกตดูนะเรามีความสุขระหว่างความสุขกับความทุกข์เนี่ยในจิตใจเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันเออรวมตัวทั้งปีเอาแค่รายวันก็พอรายวันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตรงไหนบัญชีความสุขกับบัญชีความทุกข์เนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันแล้วแต่ละวันเนี่ย เราใส่บัญชีทางไหนมากกว่ากันใส่บัญชีของความสุขเติมตลอดเวลาหรือใส่บัญชีงความทุกข์ของปัญหาแต่ละวันเนี่ยมันมีผลนะมันสั่งสมตั้งแต่เกิดจนตายนะและตอนตายเนี่ยโอ้โหเป็นไงเขาคิดบวกลบเลยคนมีความสุขมากก็ขึ้นข้างบนคนมีความสุขน้อยทุกข์มากก็ลงข้างล่างคนรจะนึกไม่ได้ว่าเออเราสุขมากเราสุขน้อย ก็เดินคลานไปตามพื้นสี่เท้าของ ข, องขวางมีหางชี้โดยเลยอันนั้นคือความหลงไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไรนะักาสติกันหรือแต่ละวันเนี่ยมันมีแต่ความสุขหลายวันหรือความทุกข์หลายวันหรือมีแต่ความเครียดหลายวันมีไหมว่าความเครียดหลายวั น, นแต่ละวันเนี่ยเยอะเหลือเกินต่งางชามาเนี่ยโอ้หลายคลั้งหลายเวลานะเนี่ยความเครียดหลายวัน นั่งหน้านิ้วว่าคิวปูกโบ <c oughs> ขยายออกมากักอะไร น, นะมันหลีเลี่ยงไม่ได้นะชีวิตต้องเจอกับความเครียดนี่แหละไอตัวที่บั่นทอนความสุขในชีวิตจิตใจเราเนี่ยก็คือความเครียดนี่แหละเราจะทำอย่างไรดีมาต้องหาสาเหตุก่อนความเครียดเกิดจากอะไรความเครียดเกิดจากความคิด ใช่ไหมถ้าหลับแล้วไม่ค่อยเครียดหรอกแต่ถ้าหลับแล้วฝันร้ายมันก็เครียดในความหลับเพราะมากับความฝันก็คือความคิดในตอนหลับใช่ไมความคิดในตอนหลับก็คือความฝันความเครียดมาจากความคิดถ้าไม่คิดจิตไม่เครียดแม้แต่คิดดีมันก็เครียดนะ คิดดีๆทั้งวันเนี่ยเป็นงานจิตมันทำงานทั้งวันนเมื่อเครียดแบบดีๆเหมือนกันนะแต่ว่าเครียแบบนั้นมันทนได้สุขแบบทนได้มันเป็นความสุขที่มันต้องทนได้แต่ว่ามันอีกเรื่องไม่ได้หรอกคนเรามันต้องคิดแก้ปัญหาชีวิตชีวิตเราเนี่ยบางทีมันต้องใช้ความคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาชีวิตหน้าที่การงานเครียดเพราะการทํางานเครียดเพราะการทํางานไม่เท่าไหร่เครียดเพราะเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้มันเครียดหนัก สุขภาพร่างกายความคิดเราเนี่ยมันบั่นทอนชีวิตจิตใจเราให้เป็นทุกข์มันมีเคล็ดลับม้ากถ้าเราคิดแล้วเครียดแล้วคิดไม่ออกเนี่ยก็อย่าได้พยายามคิดต่อไปถ้ามันคิดไม่ได้ไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนอย่าลืมนะความคิดพอเราคิดเป็นตัวปัญหานลจิตเริ่มทำงานแนละ้ว แล้ววิธีการแก้ปัญหาก็ต้องคิดแก้ปัญหาอีกทั้งคิดซ้อนคิดดับเบิลคิดเนี่ยจิตมันก็เครียดเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคิดต่อไปแล้วดูท่าจะไปไม่รอดต้องหยุดเลยนะหยุดแล้วไปผ่อนคลายซะบ้างวิธีแก้ไขความเครียดคือหาทางผ่อนคลายใช่ไหมวิธีแก้ไขความง่วงทำยังไง โอ้แค่หาวยาเมื่อกี้เนี่ยก็หายแล้วเมื่อกี้ทํำหน้าจะหลับก็หาปั๊บตื่นเลยง่ายๆมันลูกไปไหนเลยแก้ไขความง่วงก็หาวทาปากกว้างๆตาโตๆมันก็หายแล้วความเครียดก็มีวิธีการแก้ไขก็ผ่อนคลายอย่าคิดต่อไปหยุดสักพักเรื่องบางอย่างไม่ต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องให้มันจบดีดีมันไม่จบหรอกพอเริ่มคิดตอนหัวค่า มันก็ไปหลับตอนใกล้รุ่งกันเพราะหมดแรงเพราะนั้นทุกอย่างถ้ามันคิดแล้วไปไม่รอดหยุดพักอะล่ะพอแล้ววันนี้หมดเวลาคิดแล้วเราจะนอนห็นไ่มตั้งตารังต า, ตาจะนอนซะเด้ยมันก็หายก็วางมันไปสบ้างเปลี่ยนวิธีโดยการผ่อนคลายนั่งทำงานอยู่ถ้ามันเครียดก็หยุดลุกขึ้น ไปเปิดหน้าต่างมองไปไกลๆวิธีการใลาเครียดมองไกลๆมองให้สุดสายตาถ้ามองตัวเองไหมแล้วก็มันจะเครียดหนักมองใกล้ๆจะเครียดหนักเห็นไหมคนอยู่ในเมืองพอมีตึกบางหน้าเนี่ยมันรู้สึกมันมีอะไรปิดกัน้นจิตใจเราถ้าอยู่ในท้องนาที่ลงโลแล้วรู้สึกมันผ่อนคลายมองไปไกลๆมองให้สุดสายตาเลยสุดขอบฟ้าส่งจิตออกไปกับสิ่งภายนอกซะบ้าง จิตมันจะผ่อนคลายง่ายๆแค่หันหน้าไปทางหน้าต่างเนี่ยแล้วก็มองไกลๆมองยอดไม้มองท้องฟ้าอย่าสร้างจินตนาการถ้าเกิดจินตนาการตอนแรกก็ทั้งทั้งที่ดีนะตอนท้ายมันจะเครียดดักเข้าไป่ลยนะแก้ความเครียดไปเจอความเครียดแบบใหม่มองไกลๆเดี๋ยวมันก็ผ่อนคลายสายตาเปิดกว่างเดินไปทําในสิ่งที่เราชอบ เราชอบทำสิ่งไหะแล้วก็ลองทําเนี่ยเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะการไปชอปปิ้งนี่ก็มันคลายนะเราจะไปชอปปิ้งแบบไม่เสียเงินก็เหยาวสตางไปไปเดินดูของไม่ต้องตังไปลรอกรับรองมันไม่เตื่อหรอกไปเดินสนะัมะไม่ต้องเอาบัตรอะไรไปด้วยไม่ต้องอะไรไปมันก็ไม่ต้องเสียเงินอนะ่ะแต่ไม่อยากแนะนําอ่ะคือคนเรามันใช้อย่างนี้อยู่แล้วลนะ่ะถ้าไปชอปปิง้งมันก็คลายเครียดไปเล่นกีฬาออกกำลังกาย ก็ยังดีสักกว่าและสิ่งที่ไม่อยากแนะนาก็คือเวลาเครียดอย่าไปกินขนมหวาน <c oughs> โอ้สิ่งนี้นี่มันเป็นเคล็ดลับนะมันคลายเครียดได้ดีมากเลยไอ้ที่เห็นเพราะว่าเคยไปพูดในเรือนจานะในเรือนจาเนี่ยโอ้พู้ต้องขังนี่เครียดมากเลยทางชมรมเอาขนมลูกชุบไปแจกโอ้โหก็ดีใจมากเขาดีใจมากเขาอยู่ที่นี่ังนานเขาไม่เคยกินขนมหวานเลย เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้กินเพราะมันกินขนมหวานแล้วมันคึกคักมันคึกคักมันมีพลังจะแหกคุกแก่กลงไม่ให้าขนมหวานให้กินวันนั้นชมรมเอาขนมหวานให้กินเาขาอนุญาตาผู้คุมเนี่ยมองตาขวางคอนเลยเพราะาเราไม่ได้ไปฝาผู้คุมไปฝาผู้ต้องขังเขาคลายเครียดได้เพราะกินขนมหวานแต่ผลร้ายคือ มันอ้วนของหวานกินแล้วอ้วนวิธีแก้ไขาเวลาคิดแล้วอยากกินนะกินบอระเพ็ดนะรับรองนอกจากจะไม่อ้วนแล้วก็มันจะไม่อยากจะเครียดเครียดจะไดกินบอระเพ็ดทุกทีอันเนี้งยง่ายๆนะโดยการที่คนที่ลุกไปไหนมาไหนได้ก็ใช้วิธีการคลายเครียดแบบนี้ส่วนที่ คนที่ไปไม่ได้อย่างผมเนี่ยไปไม่ได้หรอกเครียดก็ต้องทําใจใช้ความอดทนความอดทนมันก็เครียดแบบหนึ่งแต่ทนแบนา ม, มนกม็เรื่องธรรมดาไป ม, มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาความอดทนแต่ถ้าเราอดทนไม่ได้ไม่เป็นไรละ่ะนั่งหลับตาพิงเก้ e. าอี้มาลุกไปไหนนะพิงเก้าอี e. ้หลับตาให้ลมหายใจ เพื่อคลายเครียดอันนี้ดีนะเนี่ยหลับตานั่งสบายหายใจเข้าลึกๆน่ฝึกทำก็ได้นะมันหายเครียดแล้วมันหายเหนื่อยด้วยหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวนับหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวนับสองไม่เกินห้าครั้ง รับรองมันจะหายเครียดโดยปริตริ้งหายเหนื่อยออกซิเจนไปเลี้ยงสมองการไหลเวียนโลหิต ด, ดีขึ้นสบายเลยไม่ลุกไปไหนอันนี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นการภาวนาด้วยไม่ต้องมีคําบริกรรมหายใจเข้าลึกๆใกล้ๆยาวๆรับสักห้าครั้งรับรองว่าหายเวลาโกรธก็หายโกรธเวลานึกใจ ไ, ไม่ออกรูนนี้จะทำอะไร พอฝึกลมหายใจสักห้าครั้งเนี่ยมันนึกออกเคยลองไหมเราไม่หัดดูสิขอไมั น, นี่มันน่าลองมันได้กับตัวเราลมหายใจรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตไม่ต้องไปไหนส่วนคนที่ฝึกจิตฝึกใจมาแล้วฝึกภาวนาก็รลยกฝึกการปฏิบัติธรรมอันนี้ยิ่งดีเลย เมื่อเกิดความเครียดเกิดความคิดปรุงแต่งมากมายอย่าจะพักก่อนจิตใจมีสติเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมาเป็นฐานมาเป็นฐานที่ตั้งของการเจริญสติอย่างเช่นเกิดความคิดคนมีสติเนี่ยเคยได้ปฏิบัติทำได้ภาวนาเนี่ยมันแค่คิดนะแต่ยังไม่ปรุงแต่งไปสู่ความเครียดแค่เริ่มคิดจิตมันคิด สติมันเริ่มรู้ละคนภาวนาเนี่ยฝึกดูจิตเลยตอนนี้ฟังดูแล้วอาจจะอะไดูเป็นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องไม่ของเ ร, เราฟังไว้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งเนี้ยเราเรียนรู้มาตั้งนานเท่าก็ดีเวลามีความทุกข์มีปัญหาในยามป่วยไขย้ต้องพัดพลากจากคนรักหรือก่อนจะตายเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ย ชีวิตมันจะไม่มีเครื่องอยู่นะคือการมีสติตามดูจิตฟังไหมนะรู้ไววใช่ว่าใส่บากแบกหามฟังวิธีไว้ต่อไปจะเป็นประโยชน์และจะรู้วันวันเนี้ยผมไม่ได้โกหกมีสติตามดูจิตพอจิตมันคิดเรามีสติรู้รู้เฉยเอ๋อนี่จิตมันคิดเนาะรู้เฉยเฉย รู้แบบดูดูแบบางห่างสติดูจิตอยู่งห่างดูเฉยเฉยเยี่ยสติดูเฉยเฉยจิตมันก็จะคิดทํามะที่คิดมันจะเห็นนะเห็นว่าอ๋อนี่ใครกันรู้ที่มันคิดอยู่ในใจเราไม่ใช่เราคิดเรากลายเป็นผู้ดูซะแล้วเป็นผู้ดูความคิดไม่ได้เป็นผู้คิดมาแยกนะ จิตที่มันคิดปรุงแต่งส่วนหนึ่งสติผู้ดูส่วนหนึ่งแยกแยะ ก, กันแบบนี้ที่เรากลายเป็นสองละมีผู้คิดกับผู้รู้คิดดูสักพักหนึ่งมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดรู้ความจริงโอ้เห็นไอ้ความคิดนี่มันบางทีมันก็เกิดขึ้นบางทีมันก็หายไปคนมีสติเข้มแข็งเนี่ย พเห็นความคิดความคิดก็จะจางคลายหายไปพอเริ่มคิดสติรู้ความคิดก็จะดับเห็นความไม่เที่ยงของความคิดจะคิดดีก็ตามไม่ดีก็ตามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นและมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกเห็นไหมเรื่องที่เราคิดกังวลร้อยแปดนประการเดี๋ยวนี้มีไหมขนาดนี้มีไหมไม่มี สิ่งที่เรากังวลล่วงหน้าต้องมากมายแล้วมันจริงสักกี่เรื่องกันแสดงว่าความคิดมันไม่จริงหรอกมันมีอยู่ทั่วขนาดหนึ่งแล้วมันก็จางคลายไปความโกรธเมื่อวานนี้วันนี้เหลือไหมไม่เหลือแต่ถ้าจะเหลือคือเราคิดเข้าไปปับ o, ๊บโอ้เรากดเรื่องอะไรไปสาวหาเหตุมันก็จะโกรธในใจเราขณะ น, นี้อาจจะน้อยลงนั่นแหะคือกรรมกรรมของเรา ไปเก็บเอาเรื่องอดีตมาคิดมันก็เป็นกรรมของเราถูกไหมแต่ไม่คิดจิตมันไม่มีกรรมหรอกเนี่ยเราต้องชดใช้กรรมเมื่อมันคิดขึ้นมาอ๋อนี่มันไม่มีตัวตนอยู่จริงเหรอความคิดเนี่ยมันแน่นอนไหมเราชอบสิ่งนี้สิ่งนี้เราชอบต่อไปนานๆได้จริงไหมได้มันก็เบื่อละเราชอบอาหารประเภทนี้ได้เราก็เบื่อละเดี๋ยวเดียว เพราะนั้นอย่าไปตัดสินอย่าเพิ่งไ่เชื่อความคิดตัวเองย่งไม่เชื่อแค่รู้ไว้วเราจะรู้ว่าความคิดเนี่ยมันมันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงหรอกมันเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจชั่วครู่ความรักเกิดขึ้นนิดนึงเดี๋ยวก็หายไปความโกรธเกิดขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปเป็นของชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเห็นไจะรู้ความจริงเกิดสติปัญญานะ เปลี่ยนจากความคิดที่ทําให้จิตใจเราเครียดกลายเป็นปัญญารู้ความจริงของตัวเองพอรู้ทันจิตใจตัวเองได้เนี่ยไอ้ความคิดหลอกเราไม่ได้แล้วเราไม่รู้ทันใครคนนั้นก็หลอกเราแต่ถ้ารู้ทันเนี่ยเขาจะหลอกเราไม่ได้แล้วจิตใจเราก็เหมือนกันมันหลอกเราไม่ได้อันนี้ไหลตัวโกหกคืนใจเราเนี่ยแหละไม่มีใครทําให้เรามีปัญหาไม่มีใครทําให้เราเป็นทุกข์ นอกจากใจเราทําร้ายตัวเราเองเห็นไหมความทุกข์ทั้งหลายนีย่มันเกิดขึ้นจากใจเราเราวางใจไว้ผิดหรือมีความหวังอะไรมากเกินไปไม่ได้ยินใจหวังเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไปหวังใจเราตั้งหากที่ตั้งไว้ผิดจับโกหกที่ใจเราให้ได้เชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับใจิตใจเป็นสาคัญ สิ่งเหล่านี้มันเป็นความเครียดรายวันความทุกข์รายวันเราสามารถมีสติเอาชนะได้โดยเด็ดขาดไม่ต้องไปผ่อนคลายที่ไหนด้วยแค่รู้ทันจิตทันใจที่มันมีปัญหาเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องลุกไปไหนเลยสบายเลยเนี่ยเพราะแต่ละวันเนี่ย เ, เอามาสร้างเอามาปฏิบัติได้ในตัวเองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือการปฏิบททัติธรรมนั่นแหละ คนที่เวลาเขาชวนไปปฏิบัติธรรมะผู้เรียนธรรมะเราก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปหรอกที่วัดนะอยู่แต่ที่บ้านอยู่แต่ที่ทํางานถ้าเราฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยแค่มีสติรู้ตระทันตัวเราเนี่ยเราต้องไปไปเราทําที่ไหนอยู่ที่ทํางานขณะทํางานก็ปฏิบัติธรรมได้ไม่ต้องไปวัดเรียกว่าเราเอา โรงพยาบาลจะทําทงานเนี่ยกรุงเทพประสิมาวราลาามก็ได้นะ <Ghost s> ยกมาปฏิบัติเลยก็เพียงแต่เราอาศยัยการวางจิตบรรจห้ถูกต้องต้องเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมในการทํางานเนี่ยเราทําได้เชื่อว่าเราทําได้ถ้าบอกเราทําไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำํำยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วบอกเราทําได้เนี่ยมันไม่ยากแล้วก็ลองทําดู ก้าวไปข้างหน้าแล้วลม้มดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่มันไม่ได้สมการเลยหรอกก้าวไปล้มเนี่ยมันจากวิธีการล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ยืนเฉยเนี่ยล้มไม่เป็นเนี่ยชีวิตไม่ก้าวหน้าต้องลมม้มบ้างมันจะลุกได้เด็กจะเดินได้แข็งแรงเนี่ยมันต้องลม้มลมลุกลุกล้มลุกขึนก่นเด็กจะแข็งแรงในการเดินลองเปิดใจยอมรับดูว่าอ๋อนี่ การปฏิบัติธรรมในการทํางานเนี่ยมันทําได้ตั้งใจทํางานตั้งใจทํางานอย่างดีที่สุดอันเนี้ยถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหน้าที่แล้วก็มีการให้ใช้สติจดจ่อไปยัการทํางานเห็นไหมแค่มีสติจดจ่ออยู่การทํางานเป็นปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาของไปถวายพระอันนั้นแค่ให้ทาน แค่มีสติอยู่การทํางานเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้ได้ในชะีวิตประจำวันเลยลองทําดูสิเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับการทํางานเนี่ยสมาธิมันก็เกิดขึ้ น, นสมาธิเป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะนะสำคัญที่ว่าคนที่ไม่มปฏิบัติธรรมคือคนที่ขาดสติถ้าไม่สติการปฏิบัติธรรมแล้ววัดที่จิตใจคือการมีสติเท่านั้นเอง พขมีสติเนี่ยมันไม่ค่อยผิดพลาดงานไม่ค่อยผิดพลาดมันมีปัจจุบันกับการใช้ชีวิตตัวนี้แหละจิตมันก็จะเริ่มเป็นปกติมันจะไม่เคร่งเครียดสมาธิก็จะตั้งมั่นโดยธรรมชาติใช่ไมมีสติมีสมาธิแล้วใจเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปอารมณ์ต่างๆคนเราเวลาทำงานตรงนี้แต่ใจเลื่อนลอยไปนันไม่ได้ปฏิบัติรรมจิตใจเลื่อนลอย งสร้างสามารถจะลอยไปเรื่องอนาคตมีความหวังสร้างความหวังแต่ไม่ได้สร้างงานสร้างความหวังในอากาศกับสร้างงานในปัจจุบันเ น, น, นี่ยอนไนจริงกว่ากันนั้นอยู่กับปัจจุบันกับสติกับการทำงานเนี่ยอันนี้เป็นของจริงกว่าแล้วก็จะเดินไปสู่ความหวังที่เราสร้างไว้ก็ได้แต่เริ่มต้นจากปัจจุบัน ใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดสติปัญญาเริ่มรู้จักรู้จักงานใช่รู้จักการแก้ปัญหาอันไหนมันขาดแล้วก็เติมอันไหนมันมากแล้วก็ตัดธรรมดาเลยเนี่ยคือสติปัญญาที่มันเริ่มเริ่มปฏิบัติธรร ม, มนิพพานบั้แค่มีสตินะมันจะวิจัยวิจารช่วยเหลือเราได้มากมายถ้าทำงาน แล้วปฏิบัติทมด้วยการมีสติด้วยเนี่ยงานมันก็สำเร็จใจมันก็ดีได้ทั้งงานได้ทั้งใจนะแต่บางทีก็ช่วยไม่ได้แม้ตั้งใจทำงานแล้วมีสติอยู่กับแดนงานแล้วมีปัจจุบันแล้วบางทีงานมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกันนะไม่ใช่ว่างานจะสำเร็จเสมอไปนะแม้ว่าเราตั้งใจแล้วถูกไหมมีไหม เราตั้งใจเต็มที่แต่งานมันผิดพลาดไม่สําเร็จมีไหมแล้วหลายครั้งหลายผลก็มีนะทั้วเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่ว่างานจะเสร็จทุกงานได้ที่ไหนเป็นไดไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามีสติรู้ความจริงของงานแม้งานไม่สําเร็จแต่ใจมันก็ไม่ทุกนะถ้างานไม่สําเร็จงานออกมาไม่ดีไม่เรียบร้อยแต่ใจไม่ทุกเนี่ยทั้เป็นการปฏิ บ, บัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมเป็นการทําที่ใจเป็นการรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์แม้ว่างานนั้นจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ตามแต่ใจไม่เป็นทุกข์งานมันจะเสร็จทุกวันเป็นไปได้ไหมเ <c oughs> มื่อเสร็จต่อเมื่อเราพอแล้วเสร็จทุกวันแต่เมื่อเราเออพอแล้ววันนี้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ยเนี่ยคือเสร็จแล้วแต่ต้องบอกวันนี้มันไม่เสร็จมันไม่น่าอันนี้มันไม่เสร็จหรอ ถ้าปฏิบัติทาไปด้วยเนี่ยงานไม่ดีงานไม่เต็จใจมันก็ไม่ทุกขแต่มันจะมีการแก้ปัญหาในวันต่อไปบางทีมันก็ไม่เสร็จเคยมีเพื่อนเป็นนติตยธรรมนะเขาเป็นผัง่งผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอยู่ใกล้กันเข้ามาคุยกับผมเขาก็บอกว่าชีวิตเขาเนี่ยล้มเหลวหมดแหละชีวิตล้มเหลวมาทำไมอะ งานเขาเนี่ยล้มเหลวหมดเลยเขาเป็นผู้ลเหมาก่อสร้างทำมานานแล้วพอมาตอนหลังเขาถูกลูกน้องโกงถูกขโมยของไปขายโกงเวลาแล้วงานก็ไม่เสร็จตรงงานไม่ทันตามที่กาหนดไว้ถูกปรับงานเลยล้มเขาเป็นทุกทข์เศร้ามากาก็เลยบอกเดี๋ยวคุยกันใหม่นั่งลงคุยกันดี สิ่งที่คุณมีปัญหาเนี่ยอะไรกันแน่เขาบอกงานเขามีปัญหาชีวิตเขาเลยต้องมีปัญหาบอกไม่ใช่พูดใหม่คุณมีปัญหาเฉพาะงานงานเท่านั้นที่ล้มเหลวนะแต่ชีวิตคุณเนี่ยไม่ได้ล้มเหลว อ, อะไรเลยคุณยังยืนคุยกับผมเนี่ยผมล้มลงไปแล้วเนี่ยผมเองก็ล้มไปแล้วนะแต่ผมยังไม่เหลวนะผมนั่งได้แต่คุณล้มเหลวยังไงคุณล้มแล้วคุณยืนได้ แล้วกูรู้ว่าอะไรมันล้มงานล้มแล้วคุณล้มโอ้มันแบ่งแยกงานเท่านั้นที่มันล้มเหลวแต่ชีวิตเขายังยืนอยู่ได้แล้วยืนอยู่ได้ดีกว่าผมด้วยเขาอายุมากกว่าผมอายุน้อยกว่าผมเนี่ยไม่ดีกับผมอะอายุมากแล้ว่าดีกว่าผมเลยอยู่ตั้งหลายปีอายุเกือบ6กสิบแล้วงานมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้อาจจะปิดพลาดได้ เกิดจากการบริหารจัดการไม่ดีแล้วก็มีสิ่งที่อะไรแส้แ ส, แสห้หลายๆอย่างงานไม่ได้ทำคนเดียวทำคนเดียวยังมันปิดพลาดได้แล้วหลายคนช่วยกันเนี่ยมันช่วยไม่ได้งานเท่านั้นที่มันปิดพลาดและมีสิทธิ์เป็นได้แต่ชีวิตคนเนี่ยไม่ได้ปิดพลาดต้องแบ่งแยกกันนะเรื่องของงานเป็นเรื่องภายนอกแต่เรื่องของใจไม่ทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเราแล้วควบคุมได้ งานควบคุมไม่ได้หรอกแต่ใจเนี่ยมันควบคุมได้ทุกหรือไม่ทุกอยู่ที่การวางจิตวางใจให้มันถูกต้องโอ้เขาได้คิดเลยโอ้ใช่ไอ้ที่มีปัญหาคืองานไอ้ที่มันไม่ใช่ปัญหาคือใจเขาเลยเล่ายห้ฟังผมถามว่าแล้วงานล้มเหลวเพราะอะไรละ่ะทิงไม่อยากรู้หรอกแต่ว่าให้เขาได้ผ่อนคลายได้ระบายบ้างเขาก็บรรยายเลย เราเห็นจุดบกพร่องนี่คุณไม่อยู่กับแดงงานใช่ไหมคุณไม่ได้อยู่กับไส้งานใช่ไหมบอกใช่เขาบอกว่าเขาสั่งงานลูกน้องเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วจะกลับมาก็เย็นบางทีก็ไม่ได้กลับมาเจ้าของงานไม่ควบคุมงานเนี่ยลูกน้องก็สบายใช่ไหมเอาของไปขายโกงเวลา แล้วถามว่าคุณไปไหนทำไมไม่คุมงานน้าที่องคุณเขาไปหาเมียน้อยเออดีแล้วล่ะไอตอนที่ไม่ได้ทำงานอยู่กับบ้านก็อยู่กับเมียใหญ่แต่ตอนมาคุมงานหนีงานไปหาเมียน้อยมันก็สมควรแล้วเนี่ยละ่ะดีนะเนี่ยงานมันล่มเหลวเนี่ยถ้าเมียใหญ่คุณรู้นะคุณก็จะล้มเหลวด้วยนะ โดนขวดเบียร์หัวบานอย่างเพลงเขาว่าไว้แอ๋อพอเขาดําเนินชีวิตผิดพลาดกับงานเขาจึงมีปัญหาและมีอีกหลายอย่างที่เขายังไม่ยอมบอกแต่เราก็ไม่อยากรู้อ๋อเจอปัญหาของงานเพราะฉะนั้นงานมีสิทธิผิดพลาดได้แต่ชีวิตเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาจิตใจโดยไม่ผิดพลาดก็ได้วิธีการทํางานให้มีความสุขเนี่ย เราต้องรู้จักแบ่งแยกถ้าเราตั้งใจทำงานเต็มที่มันมีความสุขกับงานนะแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังนะถ้าคาดหวังเกินไปเนี่ยมันจะไม่สุขที่ทำงานไม่มีความสุขเพราะว่าทำงานตรงนี้แต่คาดหวังข้างหน้าคือหวังผลมากเกินไปไอ้ไม่คาดหวังเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่หวังมากเกินไปเนี่ยแล้วรอความสุขต ร, ตรงไห น, น รอความสุขจากผลงานที่มันเกิดขึ้นรอตรงนู้นรอเงินเดือนรอซีรอขั้นโบนัสสวัสดิการรอหลายๆอย่างรอข้างหน้ามีความสุขครั้งเดียวเมื่อได้รับผลงานแต่ลืมไปว่าอีกต้อง 28-29 ดวันอยู่การทำงานเนี่ยสามารถแสวงหาความสุขได้โดยการปฏิบัติธรรมมีสติอยู่กับแดนงานมันมีความสุขทุกวัน สุขทุกวันมีสติจดจออยู่กับงานเนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิมันก็ไม่ปรุงแต่งไปถึงอนาคตมันเพลินกับงานนะมันเพลินกับงานนะมันได้สุขทุกวันและพอไปถึงวันสุดท้ายรับผลของงานมันสุขอีกวันนึงโอ้ได้ตั้งนานเลยนะสุขต้องสามสิบวันะฉนนั้นเก็ดรับคือเริ่มมีความสุขจากการทำงานตั้งใจเต็มใจ รักงานเห็นคุณค่าของงานทำงานให้เต็มที่ทำงานเพื่องานเอาตรงนี้ก่อนก้าวแรกซะก่อนทานข้าวให้มันอิ่มเนี่ยต้องทีละคำมันต้องเริ่มจากคาแรกจึงจะไปอิ่มคำที่ติอร่อยตั้งแต่คำแรกเพราะนั้นเริ่มจากความสุขวันนี้ซะก่อนและต่อไปบ้านปลายเนี่ยมันก็สุขอีกอยู่แล้วสั่งสมไปเรื่อย เ, อยเห็นไมเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ สร้างเหตุโดยการทำงานให้เต็มที่แล้วก็ตั้งใจแล้วมันก็จะไปเจอผลที่เราทำไปสร้างเหตุดีผลก็ดีสร้างเหตุมากผลก็มากใช่งนั้นสำคัญที่สร้างเหตุอย่าไปรอผลทำงานก่อนแล้วค่อยทำเงินถ้าทำงานแล้วไม่ต้องทำเงินก็ได้แล้วมันก็ได้เองเนี่ยมันสุขทุกวัน เริ่มจากวันนี้จากการทำงานตั้งต่ตรงนี้แล้วต่อไปก็สั่งสมไปเรื่อยวันสุดท้ายก็สุขอย่าไปคิดว่างานคือชีวิตงานคือชีวิตไหมถ้าใครตั้งใจว่างานคือชีวิตเน่กลายเป็นเครื่องจักรตลอดชีวิตนะงานไม่ใช่ชีวิตความไม่ทุกข์ต่างหากคือชีวิตนะมันต้องตั้งแบบนั้นอ๋อความไม่ทุกข์คือชีวิตอย่าเอางานคือชีวิต งานคือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตแต่ความไม่ทุกเนี่ยคือชีวิตของเราเห็นไหมความสุขคือชีวิตอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยชีวิตไม่ใช่เป็นการต่อสู้ก็เหนื่อยชีวิตเป็นการเรียนรู้โชคดีแล้วที่ทุกท่านเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติยังมีชีวิตอยู่วันนี้และไม่พิการด้วยเดินได้ไปไหนมา ไ, ไหนก็ได้ ยังมีทุกน้อยปัญหายังน้อยนี่ยังน้อยนั้นอย่าไปเครื่องเรียดเลยเสียเวลาชีวิตเราข้างหน้ามันน้อยนักนี่ก็จวจะถึงสองพัสิบสองแล้วไงไปทุกไปเครียดทำไมเสียเวลาเวลาเหลือน้อยเนี่ยมันหาความสุขทำจิตสำใจแล้วเบิกบานสุขโดยที่ไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องลงทุนทำใจใเบิกบานอย่าไปเสียใจเสือมหรอกและได้มีงานทา มีหลักของชีวิตอยู่แล้วคนไม่มีงานทาเนี่ยเครียดมากชีวิตมันว่างมากมันเครียดมากใช่ไหมปัญหาของคนเนี่ยไม่คนทางานปัญหาของคนเพราะคนไม่มีงาน <c oughs> ถูกไหมโชคดีแล้วที่เรามีงานเมื่อมีงานเนี่ยมันมีเพื่อนตามมานะถูกไหมถ้ามีงานและมีเพื่อน สมัยที่ผมพิการในใหม่เนี่ยไม่มีงานเพื่อนก็ไม่มีงอยอยู่คนเดียวบนบ้านตอนทำงานมีเพื่อนมากแต่ตอนไม่ได้ทำงานร่างกายทพิการเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยเงาเห็นปะขาดงานมันก็ขาดเพื่อนน่ะขาดงานขาดเพื่อนเมื่อมีงานมันมีเพื่อนได้งานได้เปอนแล้วก็ได้จิตได้ใจ ได้ประสบการณ์ได้ความอดทนได้การรับผิดชอบคนทํางานเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้รับผิดชอบได้ใจได้ปฏิบัติธรรมอย่างเมื่อกี้เนี้ยปฏิบัติธรรมแปการทํางานตั้งใจทํางานอย่างมีสติก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเผลอๆ อ, อาจจะบรรลุธรรมไม่ทุกก็ได้เห็นความจริงของชีวิตในขณะทํางานก็ได้ได้จิตได้ใจเรา แล้วก็สําคัญคือได้เงินได้งานแล้วก็ได้เงินเห็นไหมที่เรามีเงินจับจ่ายใช้สอยทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเราทํางานใช่ไหมมองเห็นประโยชน์ของงานตรงนี้บ้างสิลองงานของเราได้เงินแต่งานของผมเนี่ยไม่ได้เงินนะผมไม่ได้คาดหวังเรื่องเงินอะไรทั้งสิ้นผมทํางานแล้วมันมีความสุขกับการทํางานสิ่งนี้มีประโยชน์ก็ทําสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องได้เงินไม่ต้องได้เงิน ไม่มีเงินเดือนแต่ใจเรามีความสดใสเบิกบานเพรามจำทําี่ถิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสบายเลยได้ถ้าตั้งใจทํางานอย่างมีสติได้ทั้งงานได้ทั้งใจงานก็ได้ใจก็ดีถ้าใจที่รู้แจ้งแล้วงานไม่ดีใจมันก็ดีใจที่รู้แจ้งแล้วงานดีใจมันก็ดี ก็มีแต่ดีเรื่องของใจถ้าได้ปฏิบัติทำแปาการทํางานเใช่ไหมได้ทั้งงานได้ทั้งใจเลยชีวิตคนเราเนี่ยอย่ามุ่งแต่เงินมากไปเงินไม่ใช่เป็นเรื่องความสุขนะความสุขไม่ใช่อยู่ที่เงินเสมอไปเงินเป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นจะซื้อสหาสจับจะใช้สอนคนที่มีเงินมากมีทุกข์มากก็มี คนไม่มีเงินเลยใจมันมีความสุขก็มีเพราะเงินไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของความสุขเงินคือเครื่องอำนวยความสะดวกธรรมะที่ให้ความสุขผู้ได้เต็มปากธรรมะให้ความสุขธรรมะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขที่แท้จริงจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นั้นธรรมะให้ความสุขเงินให้ความสะดวกสบาย อันเนี้ยเป็นสัจธรรมนะจําตรงนี้ไว้เลยถ้าเงินให้ความสุขแล้วก็เราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขแบบเฉียวแห้งแบกเงินไว้ตลอดเวลาแล้วถ้ามีความสุขจากการทํางานได้เหมแล้วก็เราจะเห็นคุณค่าของชีวิตโอ้ชีวิตเราเกิดมาไี่มีคุณค่าแล้วการทํางานมันก็เป็นงานที่ทําแบบมีชีวิตชีวาไม่ทํางานแบบสังกัดไทย ไม่มีชีวิตีวิญญาณอาสายการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเนี่ยได้ทั้งสองอย่างเลยโลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียได้กําไรชีวิตเอเนาะบางคนก็ทําท่าจะเข้านิพพานแล้วภูม <c oughs> ิใจนะพูดแล้วบางคนหลับเนี่ยโอ้สบายนะดีกว่าพูดแล้วคนเครียดอนะ่ะพูแล้วเขาหลับเนี่ยเราไม่ต้องไปแจกยานอนหลับ เพราะเขาอยู่บ้านเขานอนไม่ค่อยหลับ <c oughs> นี่เขาหลับสบายเนาะอนุโมทนาบุญเนาะ <c oughs> เอานี้พูดด้วยความจริงใจนะผมพูดแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะเนี่ยทำงานแบบไม่คาดหวังนะไม่คิดว่าทุกคนจะตั้งใจฟังไม่คิดว่าคุณจะเอาไปไปฏิบัติตามไม่คิดเลยผมนั่งพูดอยู่ใครเดินลุกขึ้นไปมาไม่เป็นไรใครไม่ตั้งใจฟังใครหลับก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของคนฟังเรื่องของคนพูด งานอาจจะล้มเหลวนะแต่ชีวิตผมมันยังนั่งอยู่นันเดิมไม่ล้มเหลวนั้นผมทำงานแบบไม่คาดหวังอะไรแต่มันก็ได้ผลนะก็ได้ผลทุกครั้งไปค่ะทุกท่านนะคะมีคำถามไหมคะเชื่อได้ว่าหลายคนอาจจะเข้าถึงมากเลยฟังอาจารย์พูดจากด้านหลังเห็นทุกคนพยักหน้าเข้าใจเข้าใจนะคะถามได้นะคะมีนะคะคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คะ่ะ ขออนุญาตนะคะอาจารย์บางครั้งที่อาจารย์บอกว่าความทุกข์เนี่ยบอกว่าให้มันหยุดหยุดความทุกข์หยุดความคิดแต่บางครั้งอะคะ่ะเอาเป็นว่ากับตัวเองก็ได้นะคะคือมันหยุดไม่ได้นะเดี๋ยวนั้นนะคะอาจารย์บางทีกลับบ้านไปมันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทํำยังไงดีคะอาจารย์อาละ่ะอันนี้เป็นคําถามมาตรฐานอ่าแล้วทุกคนก็มีอย่างนี้แหละเนี่ยคือถามเป็นตัวแทนทั้งหมดทุกคนแหละ นิ่ไม่ออกว่าจะทำอะไรบางทีจิตใจเราเนี่ยเวลามันเริ่มคิดมีปัญหาปั๊บเนี่ยตรงนี้แหละมันหยุดยากแล้วพอเริ่มต้นเรื่องแล้วก็เดี๋ยวก็มีปลายเรื่องกลางเรื่องปลายเรื่องนะเนี่ยสาคัญมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามันคิดปับ๊บถ้าเราคิดต่อไปเนี่ยมันก็จะยาวให้เรารู้ทันมาโอ้ oh, นี่มันคิดแล้วนี่ตรงนี้สติเกิดนะแค่รู้ว่าจะหยุดมันเนี่ย จิตมันเริ่มคลายแล้วพอเริ่มรู้ทันเริ่มแก้ปัญหาเห็นไ่มมันดีกว่าคนที่พอเริ่มคิดปับ๊บไม่คิดจะหยุดนะ่ะจะคิดต่อไปให้มันหยุดพอโกรธปับ๊บโอ้นี่มันโกรธพยายามหยุดพยายามจะหยุดความโกรธอันนี้ดีนะเป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่พอโกรธปับ๊บมันไม่น่าทํากับเราเลยมันทํางี้มันไม่ยุติธรรมเห็นไ่มไม่ได้คิดจะหยุดนะ่ะ คิดต่อไปเรื่อยๆน่มันก็จเจริญ ง, งอกงามในความคิดความคิดกับบันเจิดเผาจิตเผาใจตั้งใจออนี่มันเริ่มคิดแล้ววิธีการหยุดเนี่ยมีหลายอย่างปเปลี่ยนวิธีคิดเปลีป่ยนคิดใหม่มองสิ่งร้ายเป็นดีจากโกรธกลายเป็นมองในแง่ดีของคนคนนี้้วโกดคนนี้ใช่ไหมมองในแง่โกรธเขาโกรธด้ตลอดชีวิตของเราอะ เจอนึกถึงก็ทีไรก็โกรธสะพึดในสายตาในความคิดเนี่ยเขากลายเป็นคนเลวที่สุดในจิจตใจตลอดเวลาเลยพ้มองเขาในแง่รายใช่ไหมท่านนี้เขาเป็นคนดีแล้วเราจะขาดจิตขาดใจอยู่มองเขาในแง่ดีสับ้างในส่วนที่เป็นประโยชน์บ้างถ้ามองตรงนั้นนะรู้จักหยุดเปลี่ยนวิตีคิดใหม่ไปคิดอย่างอื่นซะมันก็ยังดีกว่าใช่ไหมดีกว่าไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดแบบนั้นแต่ถ้าคิดจะหยุดแล้วไม่หยุดเปลี่ยนยาบดนะิ้ะ ลุกไปทําอะไรสักก็ได้ที่เราชอบเห็น ไ, ไหมไปผ่อนคลา ย, ยางไงไปดูต้นไม้ดูท้องฟ้ามองส่งความสึกแปลงนอกซะโยนความสึกแปลงนอกมันจะลืมไปช่วขนาดหนึ่งแต่มันจะกลับมาคิดอีกนะตอนนี้มันก็จะบาบางลงแล้วก็ทําบ่อยๆเปลี่ยนยาบทอันนี้ง่ายๆโดยที่ลุกไปไหนมาไหนได้หรือไปทําอะไรก็ได้ที่เราชอบเป็นการคลายเครียดเปลี่ยนจากความคิด ดีขึ้นกนะ็คือการฝึกหายใจไม่ยุ่งกับความคิดไม่ยุ่งกับความโกรธละ่ะไปคิดให้มันหยุดบางทีมันก็ไม่หยุดยิ่งอยากให้มันหยุดมันยิ่งจเจริญ ง, งอกกาแต่ว่าเราสติเราไม่พอละเอามันไม่อยู่ละไม่เป็นไรเอาวางไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะประเดี๋ยวแค่มาคิดต่อนะทิ้งไว้เป็นการบ้านก็มันหายใจเข้าลึกๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยหายใจยาวสักห้าครั้งคืออย่าไปสนใจกับมันเลย ต้องวางฉันจะทำตรงนี้ก่อนนี่คืองานรักษาใจฉันอันนี้งานคิดงานเครียดเอาไว้ก่อนงานรักษาใจทำก่อนก็พยายามอย่าไปทำตามความคิดก็เราทำตามที่เราหายใจเข้าจะออกบางทีเมื่อกี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะคิดต่อจะกลับไปจัดการนะความอ น, นิจจังเกิดขึ้น เ, เวลาเปลี่ยนแปลงไปแล้วจิตใจเราเปลี่ยนนะเวลาเปลี่ยนแปลงไปใจเราก็เปลี่ยนตามจกเคยโกรธบ้าเรา เสียเวลาโง่โลรธไปตั้งนานนะมันเปลี่ยนปับ๊บจิตมันเปลี่ยนเลยเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางทีกลายเป็นชอบก็ได้อาเรามันเกิดแค่ชั่ววูบมันชั่ววูบ <c oughs> อย่าเพิ่งทำอะไรเปลี่ยนยาบทเป็นเราซะจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นดีก็ได้เพราะนันคนที่มีความเศร้าอกหักรักหายใหม่ๆอาจจะทุกข์หน่อยปล่อยเวลาผ่านไปหาอะไรทำซะ อย่าไปหมกมุ่นจากอารมณ์การเวลามันรักษาแผลใจได้นะเพราะนั้นรอเวลาไปเถอะจะพิ่งฆ่าตัวตายอย่าเพิ่งทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทําทําไปถึงทําได้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเลือนลางและมันจะไม่เหลือหลอแล้วจะเสียดายไหมเราไม่น่าโง่โง่กโกรธโง่รักไปต้องนานที่แท้มันก็ไม่มีอะไรเลยไหมเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จบเราจะคิดมากมาสักแค่ไหน 2,012 มันก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยดังนั้นโอ้เวลาเหลือสั้นมากอย่าเสียเวลาคิดนอนซะดีกว่ามันต้องคิดอย่างนั้นละแล้วก็หาอะไรทำํำนะอย่าไปหมกมุ่นขอนิดนึงนะคะอาจารย์แล้วมันจะใช้เวลานานไหมคะบางทีมันเหมือนมีอคติในความคิดอะคะ่ะวันนี้คิดพรุ่งนี้ก็ยังคิดอยู่เลยคะ่ะมันไม่นานหรอกมันนานเพราะเราคิดบ่อยๆพอคิดปับ๊บเราไม่คิดต่อ ทำไมซะตัดอาหารของความคิดเพิ่มอาหารของสติปัญญามันคิดอีกทําอีกครั้งหนึ่งโดยการที่ไม่ทําตามไม่ทําตามความคิดมันทําสิ่งที่เราชอบมันจะคิดอีกเราก็ไม่ทําตามความคิดมันอันิจังมันมีสีเจี๊ยบหมดลงไปได้แล้วก็มันไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ถ้าคิดปับ๊บเราคิดต่อเราใส่เชื้อใส่เชื้อตรงโน้นแต่ว่ามันตัดสติปัญญาตรงนี้มันต้อง ดึงคะแนนตรงโน้นมาใส่ตรงนี้โดยากันที่ไม่คิดต่อไม่คิดตามครั้งที่หนึ่งอาจจะทําไม่ได้แต่หนึ่งครั้งเราเริ่มทําแล้วครั้งที่สองทำไม่ได้ก็ทําอีกเห็นไหมมันมีการบั่นทอนอารมณ์ทางโน้นไม่มีอะไรชั่วฟ้าดินแต่หลายหรอกผมเองเมื่อก่อนคิดมากคุณนี่คุณคิดได้แค่ไหนผมมีเวลาคิดนอนพิการต้องนานนอนคิดทุกวันคิดทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเนี่ย มันสะสมบ่อยๆเข้ามันก็มากมายแต่เดี๋ยวนี้ผมลืมไปเลยว่าผมคิดอะไรบ้างเคยมีความเหงามากมายเดี๋ยวนี้ลืมไปเลยความเหงาเป็นอย่างไรเพราะเราไม่เคยหาหารความเหงามันเหงาปั๊บเราหาทางการเคลฟังเพลงอ่านหนังสือมันเหงาปั๊บอดทนไม่ทําอะไรไม่อ่านหนังสือไม่ฟังเพลงนอนได้เฉยอดทนมันเหงาปั๊บมีสติรู้เท่าทันความเหงาผมเริ่มตัดคะแนนมาเรื่อยๆจนทั้ง ตัดลากถอนโคลนไม่รู้จักว่าความเหงาหน้าตาเป็นยังไงเห็นไรมเพราะเราไม่ให้อาหารมันเราทำในที่ที่ควรจะทำทำตรงนี้ไม่บ่อยคนที่คิดมากมันทำให้จิตใจเครียดมากทุกมากกินมากเปลี่ยนใหม่เรามีสติมากๆดิมีสติมากๆสติมันเพชะคาดเพชะคาตความเครียดก็คือตัวสติ นิสติบ่อยๆเนี่ยความคิดมันไม่มากแต่ถ้าต้องการจะคิดคิดด้วยสติเนี่ยโอ้คิดได้ดีมากเลยคิดได้ดีมากคิดแล้วสาเร็จ ด, ด้วยนั้นฝึกสติเอาไว้ค่ะแสดงว่าเราก็หยุดความคิดที่สมมุติโมโหก็หยุดณขณะนั้นไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยสมมติว่าวเปลี่ยนไปทำโน้น อ, นอันนี้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ค่ะ ใช่ไหมคะใช่ถูกแล้วถ้าเราไปหยุดมันโดยตรงเนี่ยบางทีมันไม่ไม่เพียงพอหรือว่าหยุดไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนยาบนะดิซะเห็นไหมหาอะไรทําซะเปลินๆ เ, เดี๋ยวต่อไปมันก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรอันนี้จังหรอกในโลกเนี่ยของไม่เที่ยงมีไปประจำของไม่แน่นอนมีประจำไม่มีอะไรถาวรคนชื่อถาวรออยังตายเลยเนี่ยนั้นมีอะไรถาวรตัวอย่างชั่วคราวตรงนั้นชีวิตเราก็ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ก็รู้สึกกินดีนะที่วันนี้ได้ได้มาแบ่งปันแง่คิดให้กําลังใจบ้างก็คงจะเอาไปฟังแล้วตรงไหนที่เป็นประโยชน์ก็จำเอาไปตรงไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งเอาไว้ไม่เป็นไรก็ให้ว่าสมควรเก็บเวลานะเขาพว้อให้ทุกท่านเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญามีความผาสุกมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งชีวิตการงานและก็ชีวิตจิตใจปราศจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด